Oh. มีภรรยาคู่หนึ่งนะวันนั้นเป็นวันที่ออกลอตเตอรี่แล้วก็นั่งฟังนะฟังรายงานข่าวว่าอลอตเตอรี่นี่จะประกาศผลอย่างไรนะใจก็รุนนะรางวัลที่หนึ่งเลยระหว่างที่รออยู่รอประกาศผลสลากินแบ่ง สามีภรรยาคนี้คุยกันว่าเนี่ยเออถ้าได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยนหกล้านหรือสิบสองล้านเนี่ยหรือสิบแปดล้านเนี่ยจะเอาไปซื้ออะไรจะเอาเงินที่ว่านี้ไปทําอะไรผู้ชายบอกว่าเนี่ยจะซื้อรถส่วนผู้หญิงบอกว่าจะซื้อบ้านเขาก็ความเห็ไม่ตรงกันก็เลยเถียงกันผู้ชายไม่เห็นด้วยนะที่เมียจะเอาเงินไปซื้อบ้าน ส่วนเมียก็ไม่เห็นด้วยนะที่สามีจะไปซื้อรถต่างก็อ้างเหตุผลนะสามีก็อ้างว่าเนี่ยรถเนี่ยมันจำเป็นกับการทำงานส่วนภรรยาบอกเนี่ยบ้านก็มันก็จำเป็นนะเพราะว่าครอบครัวเราก็มีลูกเขาก็ต้องการที่อยู่ของเขาหนะ้องหัดเป็นส่วนตัว อันนี้เท่านี้ไม่พอแล้วก็ก็มีการแย้งกันจนทัางเกิดการโต้เถียงภรรยาก็บอกว่าเนี่ยสามีเจ้ารถเนี่ยไปขับโฉบนะอวดผู้หญิงนะใช่ไหมสามีก็บอกเนี่ยเธอเนี่ยได้บ้านหลังใหญ่เพื่อได้ตั้งวงเล่นไพ่ใช่ไห ม, มก็ต่างกล่าวหากันสุดท้ายก็ทะเลาะกัน ทะเลาะกันอย่อยางรุนแรงจนถึงขั้นนะไม่มองหน้ากันเลยอันนี้มันก็หน้าหัวนะเพราะว่าเถียงกันในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นถูกรถตุรีรางวัลที่หนึ่งมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแล้วก็เถียงกันเรื่องรถเรื่องบ้าน ก็ยังไม่มีเงินซื้อรถซื้อบ้านเลยแล้วก็ทะเลาะ ก, กันว่านเนี่ยถ้ามีรถเนี่ยถ้าผัวมีรถจะไปจีบผู้หญิงส่วนเมียถ้ามีบ้านก็จะไปตั้งวงเล่นไพ่ถามว่าเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ก็ทะเลาะ ก, กันไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เรียกว่าหลงเข้าไป ในความคิดเป็นความคิดเกี่ยวกับอะไรความคิดเกี่ยวกับอนาคตเป็นความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอันนี้เรกว่าไม่รู้จักไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันคนเราเนี่ยถ้าว่าไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยพอปล่อยใจให้ไหลไปกับเรื่องอนาคตทั้งๆ ท, ที่กับเป็นเรื่องที่น่าจะ สวยสดงดงามนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนะ่มันเป็นฝันที่ชวนให้เพลินแต่สุดท้ายมันก็ทะเลาะกันเพราะไปเอาจริงเอาจังนะกับความฝันแล้วก็ดันมาเห็นต่างกันบางคนนี่ก็ไป ปล่อยใจถลายไปสู่เรื่องราวในอดีตไปจมอยู่กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นทำให้เศร้าหรือว่าไปฝังใจอยู่กับความผิดพลาดในเรื่องการค้าในเรื่องธุรกิจหรือแม้แต่ในเรื่องเรื่องลูกก็ทำให้เสียใจ หรือไม่ก็ไปบกมุนอยู่กับเสียงต่อว่าด่าทอของเพื่อนบ้านของเพื่อนโรงงานของเจ้านายล้วก็ทำให้โกรธแค้นอันนี้มันก็ผ่านไปแล้วนะแต่ว่าก็เก็บเอามาคิดแล้วปล่อยให้มันดิ่ขั้นเผาลนเกลียดแทงจิตใจ นี่คือโทษของการที่ไม่อยู่กับปัจจุบันนะคำว่าอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นคําที่เราคงได้ยินบ่อยๆนะความหมายเนื้อคือว่าเนี่ยไม่ปล่อยใจลอยไปอดีตไปอนาคตหรือไม่ปล่อยใจไหลไปอย่างเรื่องราวในอดีตลองนึกดูนะความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นความทุกข์ใจเนี่ย มันมักจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตทุกเพราะเรื่องในอดีตหรือทุกเพราะไปวาดภาพเกี่ยวกับอนาคตแล้ววาดภาพเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมันก็มีเป็นต้องเป็นภาพเลวร้ยวายเสมอไปนะในการนึกถึงภาพอนาคตที่เลวร้ยวายเนี่ยหรือที่ไม่อยากจะเห็นเนี่ยมันก็ทำให้ทุกข์อยู่แล้วนะทำให้กลุ่มใจ ทำให้เครียดไม่จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่จะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องพ่อเรื่องแม่แต่แม้จะนึกถึงเรื่องราวที่มันดู ส, ดสวยสดงดงามเนี่ยเรียกว่าฝันกลางวันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดทุกข์ได้นะอย่างตัวอย่างที่พูดมา เรื่องราวในอดีตก็เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่มันแย่ๆที่ทําให้คนเราเป็นทุกข์แม้จะเป็นเรื่องของความสําเร็จเรื่องของอความหวานชื่นในอดีตเนี่ยมก็ทําให้ทุกข์เหมือนกันนะอย่างนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะในอดีตเนี่ยไนดะ้เหรียญทอง เป็นที่ยกย่องนับหน้าถือตาไปไหนก็มีคนถ่ายรูปขอลายเซ็นแต่วันนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วคนเขาลืมไปแล้วคนที่ไปจมอยู่กับวันวานันห ว, ว, วานชื่อเนี่ยนะแหนดีเนี่ยโหมันจะมีความทุกข์มากนะกับปัจจุบันไม่ใช่นักกีรายอย่างเดียวนะคนที่ประสบความสาเร็จนะเป็นได้รับการยกย่อง อย่างพวกที่เป็นนักบินอวกาศเนี่ยที่ไปเหยียบดวงจันทร์แล้วตอนกลับมาเนี่ยโอยเป็นที่ยกย่องไปที่ไหนคนก็ถ่ายรูปขอสัมภาษณ์แต่ผ่านไปยี่สิปี30ปีคนไม่รู้จักแนละ้วหลายคนก็หงอยนะหงอยเพราะว่าไปยังจมอยู่กับวันหวานวันหวานชื่นทาให้ ไม่สามารถยอมรับกับปัจจุบันได้แต่ท้าคนเรา เ, าเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันนะอนดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ถึงนะเราอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะมันก็มีความสุขได้นะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะมันหมายถึงการที่เรานะพาใจเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะเรียกว่าที่นี่เดี๋ยวนี้ แล้วก็มีสติอยู่กับสิ่งที่เรากาลังทำอยู่ในขณะนี้หรือสิ่งที่เรากาลังทำอยู่ในปัจจุบันมันก็สามารถจะมีความสุขได้ไม่ยากนะแต่ถ้าทำงานแล้วเนี่ยนะไปนึกถึงผลสำเร็จข้างหน้าไปนึกถึงเป้าที่ตั้งใจจะไปให้ถึงเกิดความเครียดขึ้นมาทันทีเลย เพราะกลัวว่าจะไม่ได้ถึงเป้ากลัวจะไม่ถึงเป้าอย่างที่วาดหวังเอาไว้หรือกลัวว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วพอเราเครีย ด, ดง่ายๆนี่เพราะใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าใจเราอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้เราก็จะพบว่ามันก็มีความสุขได้เนี่ย แม้จะทำงานก็มีความสุขได้อยู่กับลูกอยู่กับหลานก็มีความสุขได้ถ้าใจอยู่กับเขาเต็มร้อยอยู่กับปัจจุบันก็ยังรวมไปถึงว่าการที่เราทำสิ่งที่ควรทำนะไม่ละเลยสิ่งที่ควรทำแต่ว่าถ้าเราปล่อยใจให้ไปอยู่กับอดีต ไม่ว่าจะเป็นความหวานชื่นในอดีตหรือว่าความเจ็บปวดรวดร้าวในอดีตเนี่ยมันก็ทำให้เราลืมทำหน้าที่ที่ควรทำนะอย่างคนบางคนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสูญเสียสามีสามีก็เป็นคนดีเอาใจใส่ครอบครัวเรียกเป็น f ฟม i l y Man แต่ว่าวันหนึ่งเขาก็จากไป ภริยาก็ทําใจยอมรับไม่ได้เศร้าโศกเสียใจนึกคิดถึงแต่สามีนึกถึงวันที่วันที่สามียังมีชีวิตอยู่นึกถึงวันที่ได้พูดคุยออกับเขานึกถึงวันที่ได้กินอาหารร่วมกันแล้วก็จมอยู่กับนะอดีต ที่เคยมีชีวิต อ, อยู่ร่วกับสามีจนกระทั่งลืมลูกไปเลยนะลูกสาวนี่เพิ่งแค่สิบสองสิบสามแต่แม่นี่ไม่สนใจเลยเพราะแม่นี่จมอยู่กับเรื่องเล่าแนด่ดีไม่อยากจะมาอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยสามีเนี่ยไม่อยู่แล้วยอมรับปัจจุบันไม่ได้แต่ก็ทําให้ลืมนะ ลืมหน้าที่ที่พึงมีต่อลูกสาวซึ่งก็น่าเสียดายว่าต่อไปจะไม่ได้เสียแต่สามีเท่านั้นนะจะเสียลูกสาวด้วยเพราะลูกสาวกาลังวัยรุ่นนะถ้าแม่ไม่สนใจก็ จ, จะเตลิดเปิดเปิเปงเข้าล็กเข้าพงไปได้ง่ายนะตามภาษาแวรุ่นสมัยใหม่หรือบางคนนี่ก็เพลิกับความสนุกสนานเที่ยวเตระจกนกระทั่งลืมพ่อลืมแม่ ลืมทำหน้าที่ในการดูแลท่านอันนี้ก็เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันนะคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันหมายถึงการที่เราไม่ละเลยทําหน้าที่ที่ควรทาในปัจจุบันนี้และบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะนึกวางแผนเกีก่ยวกับอนาคตไม่ได้นะคำว่าอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่ได้ จะแตกต้องเรื่องเกี่ยวกับอนาคตไม่ได้บางทีเราก็จาเป็นต้องแตกต้องนะในแง่ที่ว่า เ, ออเราต้องวางแผนเกี่ยวกับอนาคต6เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้าอันนี้ไม่ขัดกันหน้ากับการอยู่กับปัจจุบันหรือว่าการประเมินผลประมวลเรื่องราวในอดีตประเมินผลการทำงานที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาเราก็จำเป็นต้องมองย้อนหลังเพื่อ จะได้มาปรับปรุงหาข้อผิดพลาดแล้วก็หาข้อแก้ไขไอ้การทําแบบนี้เนี่ยมันถือว่าอยู่กับปัจจุบันได้นะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเหตุการณ์หรือเวลาเท่านั้นแต่ยังหมายถึงหน้าที่ที่ควรทําด้วยในขณะที่เรากําลังวางแผนเกียวอนาคตเนี่ยไอ้การวางแผนนั่นแหละคือปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับการวางแผนนะ เกี่ยกวกับอนาคตนะไม่ปล่อยใจลอยนะไม่ใช่ว่าคิดตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็แวบไปคิดเรื่องโน้นนะหรือว่ากําลังคิดอยู่เดี๋ยวก็แวบไปไปเปิดไลน์ไปเปิดโทรศัพท์ไปเล่นไลน์ไปตอบไลน์ไปดู facebook เนะีย่ยแบบนี้เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันนะหรือว่าทํางานคิดถึงเรื่องอนาคตคิดถึงเรื่อง อดีตวางแผนประเมินผลเกี่ยวกับอดีตนะว่าเราอยู่กับการประเมินผลสรุปผลถอดบทเรียนใจไม่บลอกแวกมีสติอยู่กับสิ่งนั้นอันนี้ก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าจะไปแต่ต้องเรื่องของอนาคตไม่ได้แต่ต้องเรื่องอดีตไม่ได้ อยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ตัวด้วยความหลงอย่างที่เมื่อกี้เราสวดนะพัเทกรตตาคาถาบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพวาวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าคิดถึงอดีตเนี่ยด้วยความอาลัยเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะหรือถ้าคิดถึงอนาคต ด, ด้วยความพววงด้วยความกลุ่มอกกุ้มใจนี่ก็ไม่ใช่อันนี้เรามันไม่มีสติ แต่ถ้าว่าเราคิดถึงอนาคตด้วยความตั้งใจที่จะวางแผนและใจก็อยู่กับสิ่งนั้นอันนี้ก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันถ้าเรานึกถึงอดีตแล้วเราก็ใคร่ควรวญถึงมันเพื่อหาข้อผิดพลาดข้อที่ควรปรับปรุงถ้าใจเรา อ, อยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำถ้าว่ามัน เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องทําไม่ใช่ผัดผ่อนตอนที่ฉันขอสนุกก่อนตอนนี้ฉันข อ, อไปเล่นเกมออนไลน์ก่อนหรือขอไปอสังสรรค์กับเพื่อนก่อนไอ้เรื่องนี้เรื่องงานเรื่องการเอาไวท้ทีหลังเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่อยู่กับปัจจุบันนะหรือจะเรียกอย่างนี้ก็ได้ว่ามันไม่ได้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุด ก็าทำปฏิบัติดีที่สุดนี่ก็มันก็คล้ายๆกับอยู่กับปัจจุบันนะแต่มันมีความหมายแตกต่างกันไปบ้างนะอยู่กับปัจจุบันนะก็คือใจอยู่กับงานที่ทำอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ทำปฏิบัติดีที่สุดเนี่ยมันยังมีความหมายรวมถึงว่าเนี่ยเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราก็ยอมรับ ยอมรับไม่ผักใสไม่ปฏิเสธไม่โวยวายตีโพยตีพายเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จ ะ, ะพาตัวออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้มันทำให้เรามีสติมันทำให้เรารู้ว่าควรจะทำอย่างไรนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ก็ตามที่เราโวยวายตีโพยตีพาย นะเช่นเจ็บป่วยหรือว่ารถติดหรือว่าเจออุปสรรคฝนฟ้าแปรปวนเนี่ยอันนี้เราว่าไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนเพราะว่ากำลังซ้ำเติมตัวเองปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแทนที่จะหาทางแก้ไขก็เอาแต่งอมืองอเท้าแล้วก็บ่นโวยวายตีโพธตีภาย ปัญหาไม่ได้แก้แถมความทุกข์ยังเอามาซ้ำเติมตัวเองอันนี้เรียกว่าจึงเรียกว่าไม่ได้ทำปัจจุบันดีที่สุดตามําปัจจุบันดีที่สุดยังมีความหมายถึงว่าเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยูย่คุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างกายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ บางคนน่มองเห็นแต่ว่าขาดโน่นขาดนี่มองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีก็อัดบน่นโวยวายแทนที่จะนึกว่าเออไอสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเราจะใช้ให้มันดีที่สุดได้อย่างไรเหมือนกับแม่ครัวเนี่ยหรือพ่อครัวบางทีอุปกรณ์ก็ไม่ครบเครื่องก็ไม่ครบ แต่ว่าแม่ครัวที่เก่งพ่อครัวที่เก่งเนี่ยก็ไม่หมัวแต่วยวายว่าทำไมของไม่ครบแต่เขาจะมองว่าเนี่ยคิดว่าเนี่ยไอ้ของที่มีอยู่อุปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ยจะมาปรุงอาหารให้ดีที่สุดได้อย่างไรถ้าบางคนเนี่ยของก็ไม่มากอุปกรณ์ก็ไม่ครบนะแต่ว่าเขาสามารถจะเอาเครื่องเอาอุปกรณ์เอาวัตถุดิบเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมาทำให้เกิดอาหาร มาปรุงเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็ดีด้วยอันนี้ก็เียกว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยอย่างดีที่สุดอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยนะถึงชีวิตเราเนี่ยบางทีเราก็เกิดมาแล้วก็หรือมาถึงวันนี้เรามีบางอย่างบางอย่างเราก็ไม่มีนะแต่เราก็ไม่เอาแต่โวยวาย มีคนเปลี่ยนมันก็ว่าชุดมันกัการเล่นไพ่นะบางทีมันก็ได้ไพ่ที่ไม่ไม่ดีนะแต่นักเล่นไพ่ที่เก่งเนี่ยไม่โหมดแต่บ่นวอยวายว่าทําไมฉันถึงได้ไพ่ที่ไม่ดีแต่เขาจะคิดแต่ว่าเนี่ยจะจะใช้ไพ่ในมือเนี่ยให้มันเกิดผลดีที่สุดได้อย่างไรบางทีได้ไพ่ต่ําๆเนี่ยแต่ว่าก็สามารถชนะคนที่มีไพ่สูงๆได้เนี่ยเพราะเขารู้จัก ใช้ภายในมือเนี่ยที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดมันมีนักขี่จักรยานคุณนะขี่จักรยานข้ามประเทศและเป็นคนไทยมีช่วงหนึ่งเนี่ยขี่จักรยานไปจนถึงประเทศเนปาล น, นะประเทศเนปาลเนี่ยมันมีภูเขาสูงมากมายแล้วก็เป็นแหล่งที่คนนานาชาติเนี่ยไปกันเพื่อที่ได้ปีนเขา เลียงน้อยเนี่ยก็ได้ไปเฉียดยอดเขาเทือกเข า, อายอดเขาเอเวอเรสต์หรือเทือกเขาฮิมาลัยแล้วก็แปลกใจมากนะมันมีบางคนก็มีคนพิการเช่นแขนขาดบางคนก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแต่พวกนี้เนี่ขาสามารถที่พาตัวเองเนี่ยไปถึงไปถึงเตีนเขาหรือว่าไปถึง จุดที่สูงมากได้นที่เขาเรียกเอเวอเรสต์เบสแคมป์เนี่ยนะเป็นค่ายเป็นแคมป์ทีนะ่เป็นฐานสำหรับการที่จะไต่หรือเปลี่ยนไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์เพราะเขาึงมากนะคนแขนขาดคนพิการคนป่วยระยะท้ายหรือเป็นมะเร็งเนี่ยก็ทำอย่างนั้นได้ยังไงนะแล้วก็ได้คำตอบหรือได้บทเรียนว่าคนเราเนี่ย หากจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยก็อย่าไปนึกถึงแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่ให้มองว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างความฝัน ค, คนเราจะสําเร็จสําเร็จได้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มค่าหรือให้เกิดประโยชน์ได้แค่ไห น, นล้วคนพิการเนี่ยเขาก็ขาดนั่นขาดนี่นะแต่ว่าสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยเขาใช้มันเต็มที่ก็สามารถจะทําสิ่งที่ คนธรรมดาทำได้ยากคนป่วยก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของการทำปัจจุบันใี่ดีที่สุดคือการใช้สิ่งที่มีอยู่นะไม่ว่าข้างนอกหรือข้างในเนี่ยให้เกิดให้เกิดผลมากที่สุดโดยที่ไม่มาแต่บ่นว่าทำไมฉันไม่มีอันโ น, น้นทำไมฉันไม่มีอันนี้แลการทำปัจจุบันที่ดีที่สุด ย, ยังรวมถึงว่าเนี่ยการรู้จักนะ ชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่โดยเพื่อความสุขถ้าคนเราไม่อยู่กับปัจจุบันนะเช่นไปจมอยู่กับความเจ็บปวดแอดีเนี่ยมันก็ทําให้ลืมความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันได้นะอย่างมีคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยนะแกก็มีครอบครัวที่ดีนะมีสามีที่ดี ขยันขันแข็งมีลูกที่ใส่ใจธรรมะไม่ได้เกไม่ได้เก็กมะเรเกเรลูกนี้ก็สนใจธรรมะมากถึงขั้นมาบวชบวชเสร็จก็ยังสึกแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องของวงการธรรมะฐานะครอบครัวก็ดีแต่สีหน้าของเธอเนี่ยคุณป้านี่แกไม่มีความสุขเลยเพราะแกนึกถึงแต่ วัยวัยเด็กนะที่ลำบากลำบากทั้งทางกายและทางใจเพราะพ่อแม่ก็ไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยเอาใจใส่พ่อแม่ก็สนใจลูกชายมากกว่าตัวเธอก็เหมือนกับถูกละเลยนะไม่เคยได้รับความรักชีวิตก็รู้สึกมีปมด้อยหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่า แล้วมันก็ผ่านไปนานแล้วนะผ่านมาหกสิปีห้าสิบปีหกสิบปีแล้วและตอนนี้ก็มีความสุขแล้วแต่ว่ากลับมองไม่เห็นเลยไม่สามารถที่จะชื่นชมความสุขที่มีอยู่ได้เพราะว่าใจก็ยังไปหวนนึกถึงอดีตที่เจ็บปวดอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะ แล้วก็เป็นอย่างนี้กันมากเลยถ้าเราทำปฎิบัติดีที่สุดเนี่ยเราจะมีความสุขได้ง่ายไม่เป็นต้องโหยหาความสุขที่อยู่ข้างหน้าเราก็สามารถจะมีความสุขในขณะนี้ได้อย่างผู้หญิงคนหนึ่งเธอเล่าว่าเนี่ยเพียงแค่ลูกกับสามีมากินอาหารพร้อมหน้ากันกลับบ้าน มากินหารพร้อมหน้ากันในตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยแค่นี้เถอก็มีความสุขละไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่นะไม่ต้องร่ารวยอะไรมากถ้าความสุขมันมีอยู่เฉพาะหน้าอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วนั่นคือการที่พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันแต่คนบางคนมองไม่เห็นนะพราะเขานึกถึงแต่ว่าเนี่ยทําไมฉันจะมีบ้านหลังใหญ่ทำไมทํายังไงสามีจะมีเงินมากกว่านี้หรือทอําไมทํายังไงลูกเนี่ยจะได้ เรียนคณะที่มีชื่อเสียงหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอนาคตทั้งนั้นนะแต่ว่าไอสิ่งดีๆที่มีอยู่คือความสุขเนี่ยมองไม่เห็นเพราะใจมันไปอยู่กับอนาคตไปหอยหาความสุขข้างหน้าอย่างนี้เลยว่าไม่ได้ทําปัจจุบันดีที่สุดเหมือนกันและที่สําคัญนะทำปัจจุบันดีที่สุดเนี่ยรวมถึงว่าการที่เร่งทําสิ่งที่ควรทำนะไม่ปล่อย ปะละเลยหรือไม่ผัดผ่อนและ ว, วิธีที่ทําให้คนเราเนี่ยกระตือรือร้อนเร่งทําสิ่งที่ควรทำเนี่ยไม่ผัดผ่อนเนี่ยวิธีนึงก็คือการนึกถึงความตายนะหรือมรณสติเนี่ยอย่างที่เราสวดพระเจ้าคู่เนี่ยความเพียรไปกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้พอนึกถึงความตายนะว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าพรุ่งนี้เนี่ยนะอาจจะเกิดขึ้นกับเราพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบทําล้ต้องรีบทาความเพียร นะเราดมกำลังที่มีอยู่เพื่อทาความเพียรให้เกิดประโยชนนะ์กับชีวิตให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็เรียกว่าทาปัจจุบันให้ดีที่สุดแต่เดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยพูดถึงพูดถึงสานวนในประโยคนี้เนี่ยมันไม่มีความหมายเลยทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ว่ามันไม่มันหมายถึงอะไรไม่รู้นะ ได้ยินบ่อยนะทำวันนี้ดีที่สุดแต่ว่าเอาข้างจริงก็ก็ปล่อยเวลหลผ่านเลยไปโดยไร้ประโยชน์นะเพียงแต่มีข้ออ้างแต่ถ้าทำปัจจุบันดีที่สุดนะมันไม่ใช่แค่วันนี้มันไม่ใช่แค่ชั่วโมงนี้หนะมายถึงนาทีนี้ด้วยจะทำสิ่งที่ดีมีคุณค่าไม่ปล่อยใจให้ไหลไปลหรือลอยไปอนาคตแล้วก็ไปคว้าเอาทุก มาซ้ำเติมตัวเองเอาความเครียดความโกรธมาเผ า, าลนจิตใจตัวเองแต่ว่าจะอยู่กับปัจจุบันรวมทั้งรู้ทันนะความคิดที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะด้วยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยมันต้องลงมาถึงอยู่กับปัจจุบันขณะนะหรือว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะปัจจุบันไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ชั่วโมงนี้เท่านั้นมันหมายถึงนาทีนี้หรือขณะนี้ด้วยขณะนี้กาลังทำอะไรอยู่ก็รู้นะ กายเคลื่อนไหวก็รู้กายทําอะไรก็รู้นะใจคิดนึกอะไรโดยือพเผลอคิดเผลอนึกไปก็รู้มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นในขณะนี้ก็รู้อย่างที่เราได้สอนเมืสักครู่เนี่ยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ ง, น ง, นงนอนงันคลอนแคลนเขาควรพ่อผู้ละการเช่นนั้นไว้ธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่ก็หมายถึงธรรมอารมณ์ก็ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้น นะมันเกิดขึ้นในใจก็เห็นมันเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะเพราะใจไม่ลอยใจไม่ไหลนะไปอดีตไปอนาคตใจอยู่กับปัจจุบันมันก็เห็นเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าว่าเกิดขึ้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายมีอะไรเกิดขึ้นกับใจกายทำอะไรนะเรียกว่าเห็นกายขึ้นมาเห็นใจคิดนึกในแต่ละขณะที่เป็นปัจจุบันอย่างนีนะ้ยิ่งประเสริฐเข้าไปใหญ่นะ อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะและคือการทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดและต้องฝึกมาให้ได้ถึงขั้นนี้นะจากเป็นอยู่จากการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำชั่วโมง น, นี้ให้ดีที่สุดจนกระทั่งมาถึงว่าในแต่ละขณะแต่ละขณะนะเรากนะ็มีสติตามรู้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับสิ่งที่กาลังทา อะไรเกิดขึ้นกับกายหรือกายทำอะไรก็รู้อะไรเกิดขึ้นกับใจใจคิดนึกอะไรก็รู้นะเรียกว่าตามติดในแต่ละขณะแต่ละขณะแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราควรฝึกนะอาจารยนีพพุท่านี้นะอากขระ